ตอนที่ห้ารถนิยมแ พ, พราวไม่เบาเยี่ยหัวสายหน้าถอนหายใจพางยกมือนวดขมับเรื่องวุ่นวายก่อขึ้นแล้วจะทำอย่างไรให้น้องสาวสุดที่รักไม่ต้องรับโทษช่างเถอยอย่างมากเขาก็แค่รับโทษแทนนางเองทว่าหลิงเซินกลับลูกค้างด้วยความฉนมนแม่นางน้อยผู้นี้ดูจะมีความแค้นฝังลึกนางตื่นเต้นจนตัวสัน่นเทิมไปทั้งร่างลำคอหงเรียวยาวของนางเกรงจนเห็นเส้นเอ็เด่นชัดราวกับว่าระหว่างเขาทั้งสองมีความแค้นที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ เขาคือซื่อจื่ออ๋องซินผู้เกรงใจการแต่งงานกับเขามันน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรือถึงขั้นทําให้นางอยากหลีกหนีปานี้นางก็คงแค่ใช้ชู่ชื้อมาเป็นข้ออ้างเพื่อเลี่ยงการพระราชทานสมรสไม่ได้มีใจรักใครจริงๆไม่นับว่าเขาไปพรากวาสนาใครแล้วเหตุใดถึงกลายเป็นว่าเขาทําร้ายนางไปได้ชู่ชืช้อผู้นั้นเป็นเพียงสามัญชนพ่อค้าแม้จะมีเงินทองอยู่บ้างแต่จะเทียบกับความสูงส่งรุ่งโรจน์ของจวนซินอ๋องได้อย่างไร หรือว่าสาเหตุที่แท้จริงที่นางรังเกียจและอยากหลีกหนีจนตัวสั่นก็คือกลัวว่าแต่งเข้ามาแล้วจะต้องเป็นไม้ทั้งที่ทสามียังอยู่ลินเซิร์นก้มลงมองส่วนล่างของตนเองโดยสัญชาตญาณใบหน้าหล่อเหลาหยินเยียบราวกับภูเขาน้ำแข็งนางรังเกียจที่เขาไร้น้ำยารังเกียจเสียจนทนไม่ได้ลินเซิร์นหลับตาลงพลางยกมือปิดหน้ากัดฟันกรอดหมัดกำแน่นจนเกิดเสียงกระดูกลั่นก๊กก๊หากเขาไม่เกรงใจจริงๆด้วยร่างกายเล็กๆของนางเขาคงบดขยี้ให้นางแหลกขมือได้ เอเดียวสิเมื่อครูนางพูดว่าอะไรนะเขาก็มีคนในดวงใจอยู่แล้วงั้นหรือดวงตาของลินเซินพันฉายวายันชาใครหน้าไหนมันปากสว่างไปปล่อยข่าวหรือไรสาระพวกนี้กันช่างเถอะเขาไม่ถือสาหาความกับสตรีตัวเล็กๆอย่างนางลินเซินกดข่มโทสะและพยายามอดทนเปิ่นซื่อจือไม่สนว่าเจ้าจะไปได้ยินข่าวหรือมาจากไหนแต่การพระราชทานสมรสของฝาบาทเกี่ยวข้องกับทั้งสองตระกูล เจ้าจะอรารวาดเอาแต่ใจอย่างไรก็เชิญแต่เจ้าเปิลซื่อจื่อจะแต่งให้ได้เย่เยาเบิกตากลมโตด้วยความไม่อยากจะเชื่อหรือว่าซื่อจื่อผู้นี้ไม่เพียงแต่จะไร้น้ำยาแต่สมองยังมีปัญหาด้วยนางอรารวาดไร้เหตุผลถึงขั้นควงราชโองการใส่หน้าเขาแล้วผู้ชายสมองปกติที่ไหนยังจะยืนกรานต้องแต่งกับนางให้ได้อีกหากชาติก่อนเขาสมองไม่ปกติแบบนี้ก็คงดีครอบครัวของนางคงไม่ต้องถูกเขาทำร้ายจนพินาศยืยับ จู่ๆลิงเซินก็เสริมขึ้นมาออจริงด้วยยี่เยากัดฟันถลิงตาใสเขาจะพูดเรื่องสมองมีปัญหาอะไรออกมาอีกข้าไม่รู้ว่าเจ้าไปฟังเรื่องเหลวไหลามาจากใครที่ว่าเปิลซื้อจะมีคนในดวงใจแล้วไม่สิทําไมเขาต้องอธิบายด้วยไหนบอกว่าจะไม่ถือสาหาความกับสตรีตัวเล็กๆไงลินเซิร์นรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกน้ําเสียงจึงอ่อนลงเอาเป็นว่าเมื่อเจ้าแต่งเข้าจนสิ้นอองเปิลซื้อจือจะดูแลเจ้าอย่างดี ซื่อจือกับน้องหญิงลูกพี่ลูกน้องมีใจรักใคร่กันไปไหนมาไหนด้วยกันจนรู้กันไปทั้งเมืองคนทั้งลาย น, นี้ล้วนเป็นคนของซื่อจื่อและเป็นคนของจวนอ๋องด้ซื่อจือลองถามพวกเขาดูสิว่ารู้เรื่องนี้หรือไม่เหล่าองครักษ์ที่ถูกเอ่ยชื่อต่างพากันอึ้งแม้แตนานเฟิงและชางจวินยังก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดหลินเซินถึงกับจุกจนพูดไม่ออกน้องหญิงลูกพี่ลูกน้องนั้นหรือชิงจือเมื่อได้สติหลินเซินรีบอธิบาย ริงๆืไม่ใช่น้องหญิงลูกพี่ลูกน้องของข้าข้าเห็นนางเป็นเพียงน้องสาวอ้อเย่เยาเยื่ยัยยออยนที่แท้ซื่อจื่อแม้จะไร้น้ํายาแต่รถนิยมการเล่นสนุกกับพาวๆไม่บอเลยนะน้ําเสียงกึ่งประชดประชันของนางทําเอาหลิงเซินกโกรธจนหนวดกระดิกเ ย, ย่หูเสียและบุตรชายยืนอ้าปากค้างคนทั้งลานบ้านต่างพากันเย่หูฟังอย่างอดไม่ได้ช่างเป็นเรื่องที่เผ็ดร้อนยิ่งนักอ ะ, อะไรคือเล่นสนุกเพ่าวพาว่เจ้าเจ้าว่าใครไร้น้ํายากัน ช่างไรเหตุผลสิ้นดีเฮ่ยเย่ยหัวร้อนเย็นซื้อจื้อร้อนตัวหรือค่ะลินเซินโมโหนเงื้อมัดขนาดท่ามอดินขึ้นมาแต่พอมองใบหน้าจิ้มลิ้มที่แสงไปได้วยความดื้อรั้นของนางเขากลับลงมือไม่ลงนานเฟิงและช้างจวีนต่างสายหน้าถอนหายใจเงียบเงียบการได้เห็นซื้อจื้อถูกต้อนจนจนมุมเช่นนี้ถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่หาดูได้ยากยิ่งเย่ยหัวรีบก้าวเข้าไปกอดคอเขาไว้แล้วกดมัดนั้นลงตามน้ํา เื้อจืดโปรดอย่าใจร้อนน้องสาวข้าบอบบางนักรับหมัดของท่านไม่ไหวหรอกเยหูเสียก็รีบกล้าไปช่วยพูดอีกแรงใช่ใช่เป็นบุตรสาวข้าเองที่เสียมารยาทล่วงเกินต้องโทษพวกเราด้วยวันวันมัวแต่ยุ่งกับราชการทหารมารดาของนางก็จับไปเร็วขาดการอบรมสั่งสอนขณะพูดเยหูเสียก็ลอบส่งสายตาให้เยหัวเยหัวเข้าใจความหมายทันทีใช่แล้วแล้ว ที่บ้านมีนางเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวทุกคนในบ้านต่างก็รักใคร่เอ็นดูจนเสียนิสัยใช่ไหมละ่ะนางถึงได้เอาแต่ใจจนไม่เห็นหัวใครแบบนี้ซื้อจือเป็นถึงบุตรชายเพียงคนเดียวของสิ้นอ๋องเป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ประทานมาเหยาเหยาของพวกเราหยาบคายไร้มารายชาชเช่นนี้ฉันไม่คู่ควรกับท่านเลยจริงๆยังดีที่เย่หัวรีบหยิบราชองค์การบนพื้นยัดกลับเข้าไปในอ้อมแขนของหลินเซินแม้ราชองค์การพระราชทานสมรสจะลงมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศให้คนภายนอกรับรู้ฝ่าบาททรงเห็นแก่สิ้นอ๋องและเห็นแก่ซื่อจือหักซื่อจือออกหน้าเองเรื่องนี้ยังพอมีทางแก้ไขเยี่ยเยาฟังจนเข้าใจเจตนาของพวกเขามุมปากของนางอดไม่ได้ที่จะยกขึ้นเล็กน้อยสมกับที่เป็นท่านพ่อและพี่ชายร่วมสายเลือดของนางจริงๆริงทว่าหลิงเซินตาไว้นักเขาเหลือไปเห็นแม่นางน้อยผู้นี้กําลังแอบดีใจบนความทุกข์ของเขาต่อหน้าต่อ ต, อตาอีกอย่างเขาจะโง่จนดูไม่ออกเชียวหรือว่าคนทั้งสามกำลังร่วมมือกันเล่นละครตบตา ลินเซินตีหน้าเย็นชาปัดมือของเย่ยหัวออกแล้วสะบัดเสื้อผ้าตรงที่อีกฝ่ายเพิ่งสัมผัสราชาองค์การลงมาแล้วใครกล้าเอ่ยปากปฏิเสธก็เท่ากับตบหน้าฝาบาทท่านแมทับทั้งสองช่างมีเจตนาที่ดีจริงๆสองพ่อลูกลูบจมูกตัวเองแล้วเบือนหน้าหนีไปคนละทางแปลงโง่ใช้กับเขาไม่ได้ผลหรอกลินเซินหันไปหาเย่โยวดวงตาลุ่มลึกจับจ้องนางไว้แน่นพ่างก้าวเข้าไปหาทีละก้าเย่โยไม่ถอยหนีแม่แต่ครึ่งก้าวนางจ้องตากลับไปอย่างค้าทาย คิดจะอลวาสไร้เหตุผลเพื่อให้ข้าทนเจ้าไม่ได้จนต้องเป็นฝ่ายปฏิเสธเองงั้นหรือเฮะเขาโน้มตัวลงมาจนชิดใบหูของนางกระซิบด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำลมหายใจอุ่นๆเป่ารัศกรของเย้ยาเจ้าฉลาดมากแต่น่าเสียดายที่เจ้าคำนวณพลาดไปลินเซอร์ยืดตัวขึ้นอีกครั้งมุมปากยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ต้องขอบคุณที่เจ้าพยายามถึงเพียงนี้ข้าถึงได้รู้ว่าวัตถิหูหญิงของข้าทั้งเฉลียวฉลาดและเด็ดเดี่ยวไม่เหมือนสตรีทั่วไป ถ้าตัดสินใจแล้วหากไม่ใช่เจ้าข้าไม่แต่งเย่เยาเจ้าหมอนี่มันจงใจฆ่ากันชัดๆแต่งตัวเยาวๆของพวกท่านให้ดีๆรอข้ามารับตัวไปเป็นเจ้าสาวได้เลยเขาโยนราชองคการกลับไปให้เย่ยหัวก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มเย้ยแย่แผ่นหลังนั้นช่าง น, น่าโดนมัดสักที่จริงๆผู้คนเต็มลานบ้านต่างถอนกำลังตามเขาไปจนหมดสิ้นทิ้งไว้เพียงของม่นที่วางระเกะระกะเต็มพื้นจนบาดตา ช่างไรยางอายหน้าด้านที่สุดเย่เยาสันสถานไปทั้งตัวลมหายใจติดขัดจนวูบหมดสติไปทันทีพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเวลาค่ำเสียแล้วเย่เยาดีตัวลุกขึ้นนั่งพอดีกับที่เจียนเจ็กยาเข้ามาคุณหนูท่านฟื้นแล้วยังพูดไม่ทันจบข้อมือของนางก็ถูกเย่เยาคว้าไว้แน่นจนเจียนเจสะดุ่งทาให้น้ายาหกออกมาเล็กน้อยข้าหลับไปนานเท่าใดกะก็แค่ไม่กี่ชั่วยามเจ้าคะ ไม่กี่ชั่วยามยังพอทำเนาเมื่อราชองค์การพระราชทานสมรสลงมานางย่อมตกเป็นเป้าหมายของพวกสายลับอีกครั้งแน่นอนชาติก่อนสายลับปลอมตัวเป็นบัณฑิตหลอกล่อนางไปลักพาตัวที่ตรอกหลังจวนต่อให้นางไม่กล้าออกจากจวนแม้แต่ก้าวเดียวพวกสายลับก็ยังสามารถลอบเข้ามาในจวนได้อยู่ดีเย่ ย, ยาหลับตาลงครุ่นคิดเตรียมพูดกันและหมึกคุณหนูดื่มยาก่อนเจียนเจียยังพูดไม่จบถ้วยยานในมือก็ถูกเย่เยาแย่งไปดื่มจนหมดรวดเดียว จากนั้นนางก็เลิกผ้าห่มลงจากเตียงสวมเสื้อคลุมเดินไปที่โต๊ะแล้วจะพูกันขึ้นมาท่านพ่อกับที่ใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องหนังสือเจ้าคะเมื่อครูไปลู่เห็นอยู่เย่เยาไม่ได้พูดอะไรต่อปลายผู้กันของนางวาดภาพบัณฑิตคนหนึ่งและชายชุดดำคลุมหน้าอีกคนหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วนางวางผู้กันลงผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า